พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ขออ่านใหม่พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29ตุลาคม2557เมีชื่อเรื่องว่ากลับคืนสู่สังคม ตาหลวงพ่อไม่ดา่าเสียงเทปก็ไม่เสียงไมก็ไม่ดังเมื <c oughs> อ่อวานหลวงพ่อด่านะไม่เลยดังทำอะไรไม่รู้จักรับผิดชอบเวลาใครใครรับผิดชอบล้วก็วางองนั้นจะไปอย่างน้อยจกักสองสามองต้องเข้าไปรับรู้รับทราบอันนี้เซ้เห็ดยัง <c oughs> หลวงปู่ลาไปเสยพวกปันหมาปะหำอันนี้บนมันคำหลวงพ่อนะเขาบอาป็นหลวงพ่ออินว่ามันหยาบ ป, ปวดวนไปหลวงปู่หล่าบ่อนั้นพ่อดีวนไปมันเห็ดหยั่งเห็ดหยัางมันเฉยเฉยเมยเมเฉยพวกปันหมาปะห่ำหลวงปู่หลาว่าเอาได้จมํม า, ม า, า, า, า, า เ, เรืมมันไม า, าไปแม่นอิลีเดานั่งไปไผ่ย่างไกยพระเห็ดหยังก็เเสยมันเอาไปหมามันเอไปอันนี้คหอกันนะ พวกกูบาทสิบอกยิ่งเียเเรื่องกันเชยอบบบาท้ามีเรื่องเึ้นมาเนี่ยคอยกันโดดมาก่าเผู้หนึ่งไปหมุนปุ่มใส่ผู้หนึ่งไปหมุนปุ่มขวาบาทเนี่อผู้หนึ่งไปกดตัวนึงผู้หนึ่งไปกดตัเนี้เอาไดจะได้แห้งมิดไปเลยบาเนียจนมัมีเสียงมือว่านเอาไปพอหลวงพ่อลงจากเสลาแต่พ่อผมาคันมาเบิ่งอีกมากมือว่านเอากดจังไงเฮ้มันยังบวดหังเลยเขาไปเท เอากดจงไหนไมันยังบดดังเเท่าไกดประึกปุ่มันก็บดดังนะมิดจีรีหม่บ้านเออมื่อนี้พระวัดของเราทั้งหมดยี่สิบเจ็ดรูปนากหนึ่งคนเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกแรงพอสมควรฝนตกถ้าจะว่าผิดแล้วดูการไมก็ว่าผิดนะถ้าคิดตามโบราณ พ ว, ว่าออกพัรษามาเกือบเดือนเลยเนี่ยฝนก็มาตกอีกเาว่าฝนที่ล้างหางปทีบฝนที่ตกวันล้างหางปฏิบนีเพราะว่าฝนผิดปกติหรือฝนดีนะปีนั้นแต่ของเราในะกลางพรรษานะมันไม่ตกเลยตกน้อยมากแล้วมันมาตกในช่วงนี้หลวงพ่อเป็นห่วงเหลือเกิน ช่วงนี้เก็บเกี่ยวฝนจะมาตกลงอีกช่วงนั้นนะเสียหายอะไรท่นนี่พระ่อมะคืนนั่นก็ฝนตกนะแงระงพอสมควรอยู่กับมีประโยชน์เพราะฝนตกทำให้ข้าวชาวนาทั้งหลายยังไม่ออกรวงนะกําลังพอดีพอดีทำให้ชุ่มชื้นขึ้นมามีประโยชน์ฝนตกเมื่อคื น, นวันนี้เป็นวันที่ย9ตุลาคม พุทธศักราช 2,557 เมื่อวันที่26วันก่อนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเครื่องไม่เสียไม้ในวัดในวัดของเรารู้สึกว่าไม่มีไม่มีเสียงพราะเปลี่ยนผู้ดูแลก็เลยทำให้ขาดตกบกพร่องหลวงพ่อก็เลยพูดเสียงหมุมบห ม, มุบเมื่อวานจะว่าด่าก็ใช่จะว่าสอนมวยพระก็ใช่ เพราะว่าขาดความรับผิดชอบพระมีกันตั้งหลายองค์มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องรับผิดชอบด้วยกันแล้วมีมอบหมายอะไรกันก็รู้อยู่แล้วจะต้องได้ใช้ทุกเช้านะพระของเราก็ทั้งป่าก็เปือบ20 3สามสิบองค์ไม่มีใครดูแลจะเลยมันดูดูแล้วมันขาดตกบกพร่องเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูด เมื่อวานนี้วันนี้ก็เสียงใหม่ที่สลาของพวกเราก็ออกมาได้ยินทั่วกันแล้วก็วันที่26ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นงานประชุมเพลิงของหลวงพ่อท่านรั ต, ตนะที่อยู่วัดของเรามานมนานท่านไปใ ห, ให้หลวงพ่อให้ไปเป็นเจ้าวาดวัดปารวมธรรม อำเภอเพนที่ไปชุมเพงพ่อของท่านนะั่นแหละหลวงพ่อของท่านหลวงพ่อของท่านกระบวดก่อนบวชมาถึง41พันษาอายุแปหปีบวชกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ท่านสิ้นพระชนที่วัดประวันเพราะว่าท่านเป็นคนเมืองการท่านรัตนะนี่พ่อแม่ของท่านรัตนะนี่กาญจน บ, บุรีกับลูกพี่พีน้องๆของ ลูกหลานของท่านรัตนะ์ก็เข้ามาอยู่วัดปรวร์คล้ายๆว่าเป็นญาติรราติธรรมและญาติห่างๆของเจ้าประคุณสมเด็จนะในเมื่อท่านหลวงตานด้บวชเข้ามาแล้วท่านก็ได้ให้ไปเป็นเจ้าประคุณสมเด็จให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดยาณสังวรสังวรารามชนบุรีเป็นองค์แรกน ะ, ะต่อมาท่านก็ให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัด อำเภอหนองยาป้องวัดผู้ใสวัดวัดผู้ใสอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีแต่นั้นท่านก็ลาออกท่านก็ไปอยู่ที่บ้านจากนั้นก่อน้นดมาป่วยเข้าโรงพยาบาลสองสามครั้งก็มามรณะภาพเมื่อวันที่ย0สบตุลาคมได้นำศพของท่าน มาที่วัดปารวมธรรมอำเภอเพนก็ไในบําเพ็ญวันที่ประชุมเพลิงวันที่26หลวงพ่อเองเป็นองค์แสดงธรรมในวันนั้นพระก็มากเกินพระ200กว่ารูปพี่น้องประชาชนก็ล่นหลามทางฝ่ายพระสงฆ์กับท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณราชวัดโพธิสมพรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วกับท่านผู้วารชการจังหวัดอุดร ท่านนพวัฒน์เป็นประธานฝ่ายครวาตแล้วก็มีทนายอำเภออำเภอเพนและก็หัวหน้าสวนราชการให้ความสนใจมากพอสมควรในวันที่ยี่สกที่ผ่านมาแต่วัดของเราคณะคาณาจารยญาติโยมหลวงพ่อจะได้เรียนให้ทราบสมมติว่าถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่บอกให้ทราบก็เหมือนกับหลวงพ่อนี้ ใช้เงินไปยังไงผิดประเภทหรือยังไงหายเงียบไปได้มาแล้วนะถ้าลงพ่อพูดให้ฟังก็เหมือนลงพ่อขี้อวดทำไปแล้วก็อวดนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อคล้ายๆว่าบอกกล่าวให้ในความชื่อตรงเนี่ในควา ม, รนนะวามบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะจตุปจัจที่ได้มาในวัดพระในวัดก็มีส่วนร่วม ถ้าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวศรัทธา ญ, ญาติโยมก็คงไม่มาทำบุญมากพอหลวงพ่ออยู่องค์เดียวในเมื่อหลวงพ่ออยู่กับพระหลายองคศรัทธา ญ, ญาติโยมก็เขาก็ถวายมาเป็นส่วนกลางเพื่อเราจะได้บริหารจัดการในการใช้จ่ายภายในวัดเพราะพระมากโยมมากคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมากเป็นธรรมดาในเมื่อมันมากขึ้นมาหลวงพ่อจะใช้จ่ายยังไงเนีย อย่างที่งานท่านรัตนาเนี่ยหลวงพ่อก็ถามว่าจะได้ใช้จ่ายต้องได้ใช้จ่ายแน่ๆแล่วเอาเถอะนะถ้ามีค่าใช้จ่ายน่ยผมทางวัดของเราก็วางไว้ก่อนให้ให้วางไว้ก่อนแสนห้าหมืนกว่าบาทนวัดของเรานะวางไว้ส่วนแสนของห้าหมื่นกว่าบาทจากนั้นก็หลวงพ่อก็เรียกไปชมุมเครือญาติของท่านเครือญาติของท่านก็แข็งขัน ขึ้นมารวบรวมกันม า, าก็ได้เงินมากพอสมควรเจ็ดแสนกว่าบาทบ้างในเครือญาติของท่านาจากนั้นของเราอีกวันนั้นเราเปิดบัญชีเข้าไปก็มีของปอห้าหมื่นของคุณปียบันห้าปืนของเราเปิดบัญชีที่อำเภอเพเ่นเพื่อบัญชีของวัดนั่น เ, เงินเข้าบัญชีในวันนั้นก็ที่หลวงพ่อเปิดดูๆแล้วกนนั่นแะแสนอง0ส0้าหนกว่า การรวมเข้าไปอีกหลวงพ่อเองว่าอาจจะเพียงพออนยะ่นั้นหลวงพ่อก็ได้เตรียมปัจจัยไว้รออีกเมื่อถวายพระถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเราก็จะได้ถวายท่านเราเตรียมพร้อมแต่ผลที่สุดก็ปัจจัยก็เพียงพอนะงานรู้สึกว่าราบรื่นเรียบร้อยไปด้วยดีหลวงพ่อได้ยินแล้วก็อือ้อฮ่นรู้สึกว่าอบอุ่นเและดีใจในงานที่ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรจตุ่ปัจจัยก็เพียงพอ งานคราเพลิน อ, อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็หลวงพ่อลงไปกรุงเทพเมื่อวันที่24ตุลาหลวงพ่อได้ไปแสดงธรรมที่วัดบวรนิเวศเป็นวันครบรอบสิ้นพระชนของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชหลวงพ่อองค์แสดงธรรม4โมงครึ่งวันนั้นพี่น้องประชาชนนู้นมากมากมากมายทีเดียว หลวงพ่อก็ได้ถวายจตุปจจัยถวายในงานเจ้าพกุณสาเร็จนะหนึ่งแสนหนึ่งแสบาทเพื่อให้ได้ใช้เผื่อว่ามีงานต่อไปภายภาคหน้าถวายข้าเป็นส่วนกลางอันนี้คือคือส่วนหนึ่งท่านก็ได้ออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดปวร์ให้เราด้วยในวันนั้นแล้วก็เมื่อวานที่เราออกมาจาก วัดรวมถามของท่านรัตนะพอออกจากมากจากงานศพเราก็มาดูตึกหนีไฟตึกหนีไฟ ห, หลังนั้นหละแล้วก็เป็นที่ชั้นล่างเป็นที่พักญาติคนที่มาเยี่ยมไข้ก็ไปดูแล้วก็โอ้โหขนาดสร้างทำยังไม่เสร็จนะพี่น้องประชาชนเข้าไปนอนเต็มทั้งพื้นเลยแล้วก็ห้องน้ำกําลังจะทำอยู่ กำลังติดกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะติดประตูมั้งติดประตูติดอะไรกระเบื้องติดเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วไม่กี่วันข้างหน้านะแต่หลวงพ่อก็ดูเสียอ๋อท่านก็ได้เอาบัญชีค่าใช้จ่ายมาให้ดูหลวงพ่อก็ดูค่าใช้จ่ายประมาณร้านเจ็ดนะนะร้านเจ็ดแสนแล้ว เ, เจ็ดแสนเศ็แต่หลวงพ่อก็ ได้มอบให้เสียอ๋อไปหนึ่งล้านนะไม่รวมทั้งกระเบื้องนะกระเบื้องปูพื้นทั้งหมดและกระเบื้องห้องน้ําทั้งหมดอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านองค์ขบนตรีท่านถวายมาเราก็มอบให้ทั้งหมดกระเบื้องตั้งหกกระเบื้องปูพื้นหกร้อยกว่าหกร้อยกว่ากล่องหกร้อยกว่าตารางเมตรไม่ใช่ตารางเมตรเพราะว่ากล่องหนึ่งมันมันมันยี่สิบ อมันก็ต้องกว้างกว่าหนึ่งึ่งกล่องมันกว่าตัดะรางเมตรนะแล้วก็ห้องน้ําอีกสี<ม>่ร้อยกว่านะที่เราหมอบไผ่นะแล้วก็เงินจตุปัจัยเมื่อวานวันก่อนที่เราออกมาเราเห็นว่าโอ้ใช้ใจ่ายไปล้ำํำนาไปมากหลวงพ่อก็ได้หมอบให้อีกสามแสนหมอบให้กับตึกหนีไฟเนะี่ยแต่ก็ถามว่าจะได้ใช้เงินเท่าไหร่อืประมาณสองล้าน สล้านน่าจะอยู่หรือว่าประมาณล้านเก้าล้านแปดล้านเก้าครับหลวงพ่อนะอืมนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็จ่ายไปล้านสามแต่หลวงพ่อยังยังไม่ได้ถามดูนะจํานวนล้านล้านเจ็ดนั่นแนหะยังเรายัางให้ยังไม่ครบนะเราให้ล้านสามแต่ถึงยังไงเราก็ต้องต้องได้ช่วยช่วยช่วยดูดูหนักหนาตรงไหนอย่างไร อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งกับเมื่อวานนี่ก็ให้พระออกไปโอนปัจจัยให้กับโรงพยาบาลที่ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลน้องบัวลำพูที่เราตกลงกันไว้แล้วนั้นเอาเครื่องมือมาใช้แล้วแต่มันเรายังไม่ได้จ่ายเงินเมื่อวานก็จ่ายเครื่องมือสาหรับเครื่องช่วยหายใจห้าแสนบาทโอนเมื่อวาน แล้วก็เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์อีกสองแส0สองหนึ่งหรวมแล้วก็เป็นเจ็0 0 0 0เจดแสหนึ่งหพันเครื่องมือแพทย์เมื่อวานนี้โอนเรียบร้อยแล้วนะอันนี้แหละค่าใช้จ่ายหรือจตุปัจจัยที่ได้มาผ่านมาจากมาถึงวัดของเรานะ เราก็ได้ใช้จ่ายอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบนะเพราะพวกเราอยู่ในกลุ่มอยู่ในวัดในวัดของเราควรจะได้รับรู้รับทราบถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกเราอาจบางคนอาจจะสงสัยว่าจะตุกปัจจัยไปยังไงมาอย่างไงแต่ถ้าเราว่าหลวงพ่อพูดคนข้างนอกเขาบอโอ้ยหลวงพ่ออินขี้อวดทำอะไรไปแล้วอวดหน้าอวดหลัง หลวงพ่อก็ได้ยินเสียงสะท้อนย้อนกลับมาเหมือนกันแต่เอาเถอะมันเสียงนั้นมันเสียงนกเสียงกานะหลวงพ่อไม่ได้ว่าทีนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเพื่อชําระการกระทําของหลวงพ่อให้พวกเราท่านทั้งหลายผู้อยู่ใกล้เนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าจตุปัจจัยที่ได้มาหรือว่าใช้จ่ายไปเกิดประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนสังคม อ, อย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านพูดหลวงตาที่ท่านพูด เ, ด เ, ด เ, เมื่อเรา ได้จติตวิญญาณจากชุมชนสังคมเราก็ควรจะคืนให้เขาบ้างแล้วออกมาใช้ประโยชน์ในพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ออกไปทงสาธารณประโยชน์ด้วยแต่บางวัดบอกว่ า, เ, าเงินของสงฆ์ไม่น่าจะออกไปใช้สาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนไปใช้อย่างไรเพราะเงินสงฆ์ แต่หลวงตาท่านบอกว่าถ้าสงไมีตรับอย่างเดียวไม่มีการสงเคราะห์คนอื่นไม่สงเคราะห์ชุมชนมีตรับอย่างเดียวสงไปว่าสงเห็นแก่ตัวมากสงไม่ควรอยู่ไม่ควรจะอยู่กับชุมชนสังคมเขาสงควรจะไปอยู่อีกมุมหนึ่งไม่ควรได้รับอนุเคราะห์จากชุมชนถ้าเมื่อชุมชนเขาสงเคราะห์มาสงก็ต้องสงเคราะห์ชุมชน ตอบแทนอันนี้เป็นธรรมดาที่การอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจต่อกันไม่ใช่ว่าจะรับแต่อย่างเดียวเราไม่เห็นด้วยอันนี้หลวงตาท่านให้เหตุผลแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปถวายองค์หลวงตาเ็เหมือนกันเข้าไปแต่ละครั้งแต่ละเดือนสองแสนสี่แสนห้าแนถ้าเราไปดูในแผนหรือว่าในรายงานที่หลวงพ่อเก็บเก็บเอาไว้พวกเราจะรู้ได้ว่า หลวงพ่อเข้าไปถวายเจตุปัจจัยหลวงตาแต่เข้าไปบางทีแล้วก็บอกนะหลวงตาครับผมขอถวายปัจจัยที่หลวงตาบอกว่าช่วยเครื่องมือแพทย์ครับอืเ่ยเป็นเงินทอนี้แสนครับหลวงตานิ่งหลวงตาบอกไม่ควรจะพูดอย่างนั้นอันนี้เพิ่นท่านสอนหลวงพ่อนะอันนี้พวกเราฟังเอาไว้ท่านสอนหลวงพ่อไม่ควรจะพูดอย่างนั้น เพราะว่าเราเนี่ยใช้สาธารณะมากมายอันไหนที่มันขัดข้องเราก็จะอุดจุดนั้นจุดไหนที่มันพอเพียงพออยู่แล้วเราก็เอาไว้ก่อนเพราะนั่นทางว่าพูดมัดอย่างนี้เนะ่เราจะไปใช้อย่างอื่นมันก็ไม่ถูกต้องไม่ควรจะพูดอย่างนั้นครับผมจากนั้นมาหลวงพ่อเขาบอกว่า ขอาการพ่อแม่กุญจาร์จตุปัจัยที่ถวายพ่อแม่กุญจาร์ขอใช้ตามอัธยาศสยถ้าจุดไหนที่เกิดประโยชน์อที่พ่อแม่กุญจาร์มองเห็นแล้วว่าเกิดประโยชน์กับผมก็ถวายพ่อแม่กุญจาร์ใช้ในจุดนั้นเลยครับผมออืนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าเราที่หลวงพ่อเนี่ยอยู่ใกล้องค์หลวงตาเนี่หลวงพ่อได้ถวายแล้วหลวงพ่อก็เห็นด้วยอย่างที่หลวงพ่อพูดกับองค์หลวงตานะ แต่พูดทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ให้พวกเราถอยลุงพ่ออินเหมือนลุงพ่ออินถวายลุงตาอย่างนั้นไม่ใช่นะพวกเราต้องเป็นดุลชนิตของพวกท่านถ้าพวกเราท่านทั้งหลายออกมาอย่งไรลุงพ่อจัดการอย่างนั้น เ, เจดีนะครับหลุงพออ่อเออเอาเข้าเจดีเครื่องมือแพทย์นะครับลุงพอ่อเออเอาเข้าเครื่องมือแพทย์บํารุงพระสงฆ์สัมมเนนเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าสถานีวิทยุในวัดนะลุงพ่อเออเอาเอาเข้าจุดนี้ หลวงพ่อจะแบ่งจะตุปัจจัยไปตามอประสงค์ของศรัทธาญาติโยมเนี่ยหลวงพ่อทําอย่างนั้นแต่สําหรับหลวงพ่อเองถงหลวงพ่อถวายหลวงตา่หลวงพ่อจะพูดอย่างนี้อถาวายหลวงตาตามใช้ตามอัธยาศัยเผื่อว่าท่านมีเรื่องอะไรที่ท่านหนักใจยอยู่ก็ท่านก็จะเอามาใช้ในจุดนั้นนเนี่ยอันนี้ก็คือ เป็นแนวความคิดท่าหลวงพ่อไม่พูดให้พวกเราฟังนะพวกเราก็คงจะไม่รู้ว่าแนวความคิดหรือว่าแนวการถวายจะตุปจัจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถวายยังไงจึงจะถูกต้องถวายยังไงจึงจะเป็นธรรมถวายยังไงจึงจะเป็นสปายะสาหรับองค์ท่านที่ท่านจะได้ใช้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์สาธารณประโยชน์ที่ท่านมองเห็นว่าเกิดประโยชน์ ในความรู้สึกของท่านอันนี้เราเราถวายในความรู้สึกของท่านเพราะเราเชื่อท่านถ้าเราไม่เชื่อท่านเราจะถวายทำไมเออเราจะถวายทำไมทำไม่ท่านไม่เชื่อท่านถึงจะบอกว่าท่านถวายเครื่องมือแพทย์ก็เถอะท่านเอาไปใช้ที่อื่นเออเพราะเราไม่เชื่อท่านแต่เมื่อเราเชื่อท่านแล้วเนี่ยเอาเอาเลยตามอัตัยสายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นว่าสมควรเหมาะสมอย่างไรเป็นธรรมอะ แล้วเราได้มาเป็นธรรมถวายท่านโดยเป็นธรรมเนี่ยอันนี้ก็คือการที่หลวงพ่อได้ถวายองค์หลวงตามากมายหลายๆครั้งหลายๆเอหนถ้าไม่อย่างนั้นหลวงพ่อถ้าจะไหว้ขึ้นมาเลยเอแต่จะหาว่าหลวงพ่อขี้อวดอีกต่างหากถ้าหลวงพ่อไม่ทําถึงขนาดนั้นไม่รู้แนวทางของหลวงตาขนาดนั้นลูกหลานทั้งหลายคิดว่าลูกพ่อจะได้ รับความไว้วางใจจากหลวงตาไหมจะได้พินัยกรรมจากหลวงตาที่ท่านมอบความไว้วางใจไหมแน่เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้แหละเอ่ยที่เราทำกับองค์หลวงตาเราทำด้วยความซื่อตรงเอ่ซื่อสัตย์มีอะไรเอ่ยกาเรี่ยนท่านมีอะไรหนักใจหรือไม่สบายใจแต่เราก็ไม่เคยขอนะ พูดทางนั้นไม่ขอดลงตาการขอลงตาเน่ยลงตาให้พอใจลงตาท่านท่าไปขอเรื่องนั้นเรื่องนี้ เ, าเอาละเออไม่ได้แต่ท่านมองเห็นท่านให้เลยท่านให้สิ่งไหนก็ตามถ้ามันเหลือไปแล้วท่านไม่เอากลับคืนหรือต่างหากลงตาเนี่ยออย่างที่ท่านจะสร้างเขื่อนให้เราเน่ยมันใจปัจจัยเหลือกรับผมปัจจัยไม่ได้ใช้ครบกรับผมเออเอาไปใช้เลยไม่ต้องส่งกลับคืนมาหรอก ไปใช่นะครับผมนี่แหละคือน้ำใจขององคตาเนี่ยล้นหลามในการวางการสงเคราะห์อนุเคราะห์ขององค์หลวงตากับสิทธิานุสิทธิเพราะนั้นในวันนี้หลวงพ่อได้บอกแนวแนะแนวให้กับพวกเราท่านทั้งหลา ย, เ, ยเพื่อได้ฟังไว้อยู่กับครูบาอาจารย์ดังองค์หลวงตาเนี่ยท่าน นี่มีแนวความคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าอยู่กับครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านก็มีแนวความคิดเห็นอย่างหนึ่งอย่างหลวงปู่ยามเนี่ยท่านไม่ได้สนใจท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใครจะมาทําบุญมาเนี่ย อ, อ, อย่าไปบอกเขานะทําเขาได้ยังไง อ, อวัจีวินอะไรว่าจีวินยัดวัดจีเป็นบาปลักษณะอย่างนั้นแหละออพูดต่อหน้าท่านไม่ได้หลวงตาหลวงปู่ยาม เ, เออพราะนั้นท่าน เรื่องเหลนะ่านี้เนี่ยท่านชื่อตรงของท่านอีกแนวหนึ่งอีกเหมือนกันนะนี่แหละครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านที่เราเข้าไปอยู่ใกล้เชิดเนี่ยอีกมุมหนึ่งลักษณะหนึ่งในการแนวความคิดของแต่ละองค์แต่องค์หลวงปู่ลากอีกอย่างนึงแต่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ไปอยู่ในช่วงนั้นท่านไม่มีเอตเตเลกาลาบอยู่แล้วเพราะไม่มีใครเข้าไปดูแบบลือสีสีพรยจริงๆ อยู่กับหลวงปูแวนไปยุ่นทางในภาษาไม่เห็นคนในเมืองโผ่เข้ามาเลยเพราะทางมันยากแต่ขนาดเดือนพฤษภาที่หลวงพ่อลงไปฝนยังไม่มาลงไปอำเภอพร้าวยังได้เอาโซ่มัดรถเอ็มรถเอรแลนด์ดรนโรเวอรอ์สมัยนั้นก็มีสี่ับเคลื่อนสี่ล้อรถของอังกฤษยังได้ใส่โซ่มัดตีนอีกต่างหาก ภาในพรรษาไม่มีใครวันนั้นอยู่แบบเงียบเงียบสงบจริงๆแต่เห็นปฏิปทาขององหลวงปู่แหวนสุจินโนเนีเ่ยหลวงปู่ผู้เท่าเนี่ยตอนกลางคืนมาผู้เท่าไม่ได้หลวงปู่ไม่ได้มีที่นอนนดมีอาสนะมีเตียงประมาณทักวาหนึ่งเทะนะ่านั้นกว้างประมาณทักเม็ดหนึ่งจากนั้นเราก็ไปปู่อาสนะแต่ก็มีหมอนเพียงทางหลัง แล้วก็มีกระโถน ม, มีผ้าห่มผืนหนึ่งบางๆพอช่วงนั้นยังไม่เข้ายังเข้าหน้าฝนแล้วก็อยู่ในกระตุกถ้ามันฝนตกหน้าหนาวนะท่านะก็จะจุดไฟก่อไฟในกระตุกนั้นถา้าไม่ไม่ไม่หนาวท่านก็ไม่จุดในช่วงนั้นยังไม่ได้จุดไฟในกลางพรรษาเพราะยังไม่ถึงไม่เข้าหน้าหนาวเราก็ถามว่าลุงปูครับลุงปูไม่มีหมอนเลย ไม่มีที่นอนเลยมีแต่อาสนะหลวงปู่พักยังไงนอนยังไงครับหลวงปู่เออพระเ อ, อเรานอนติดภพติดชาติมาพอแรงแล้วมานอนนอนจมนอนใจนอนอยู่ในภพในชาติไปลูกกี่กี่ภพกี่ชาติจะไป น, นอนอะไรมากมายมันอยากจะนอนที่ไหนมันลบเด็กมันก็หลับหลับแล้วก็แล้วตื่นขึ้นมาฟืน้นมันก็ น, นั่งภาวนาต่อ อ, อ, อีกจะไป น, นอนอะไร เออพรุ่งนี้เชา้าตอนเช้าเราก็ไปเข้าไปเอากระโถนออกมาล้างท่านก็ออกมาจากห้องพอได้ถินท่านเกลิกท่านก็ออกมาจากห้องเราก็เอากระโถนอะไรไปล้างทําความสะอาดตอนเย็นก็ปัดไปตอนบ่ายก็ไปปัดขวดทําความสะอาดอีกเอาน้ําไปพรมพรมพร ม, พ ม, พมในห้องท่านนะมันเป็นดินเนี่ยทําไม่เอาน้ําไปประพรมเดี๋ยวมันมีฝุ่นมันฟุ้งฮนะถึงจะมันอยู่ในห้องก็เถอะมันมีฝุ่นเราก็ต้องเอาน้ํา ใส่กระป๋องไปค่ะหวิดหวิด อ, องบัวไม่มีไม่มีบัวเอาฝามือน่ะหวิดหวิวิให้น้ําให้มันเปียกๆน้อยๆไม่ให้มันชื้นมากเพยียงแต่ให้มันกบให้ไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งเท่านั้นอ่ะเท้าใจมากก็ไม่แดงความชื้นฮะท่านอายุมากแล้ว น, นี่แหละอันนี้ก็คือปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลงผูกลงพ่อไปอยู่ด้วยแต่เรื่องภาวนาจิตภาวนาของท่านเนี่ย ท่านไม่ได้ลดละออตอนไปตอนบ่ายมาเนี่ยไปหานั่งภาวนากุฏิหลังนั้นกุฏิลลเล็กๆมีชานออกมาเลยก็เป็นนั่งภาวนาแล้วก็จุดชุดชุดก็คือเป็นผ้าจีวรผ้าอาบน้ําที่มันขาดนะท่านมาฟันให้มันเป็นสองเกลียวแล้วก็จุดไฟที่ส้นของมันมันจะควันทุยทุยไหล ย, ยุงไหลลิ้นคล้ายๆว่าทำเป็นกันยุงกันลิ้นมัน วัดรวยไม่ปังมันมีลิ้นนะตัวเล็กๆเนาะแต่ว่ามันกัดคานมันโดยมากมันจะชอบกัดหูนะ่ะกัดหูกัดทางหัวคนนะอ่ะอตัวเล็กๆนะถ้าใชัจุดใส่ ช, ชุดตัวนี้ลิ้นนี่กลัวมากนี่แหละท่านก็ไปนั่งภาวนาทุกวันท่าวันในอากาศไม่ฝนไม่ตก น, ะนี่แหละแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานํามาประพฤตินํามาใช้ได้ทั้งนั้นแหละ ที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบอไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้สนทนาปารบกันอต่างองค์ต่างอยู่อแล้วก็ภาวนาต่างองค์ต่างภาวนาหลวงปู่หนูเขากับพันเข้าไปของท่านอหลวงพ่อทํากิจวัตรเฉร็จหลวงพ่อไปภาวนาของหลวงพ่ออยู่ดกันสามองค์นั่นแหละปีนั้นน่ะที่ว่าหลวงพ่อได้รับความสงบทางด้านจิตใจ อย่างลึกซึ้งที่อยู่กับองค์หลวงปู่แหวนเป็นกําลังที่เนี่ยพอเป็นกําลังที่เดียวพอหลวงปู่จามนำหลวงพ่อลงมาที่ห้วยทรายมาจำาันสาโยมพ่อก็โยมแม่เนี่ยหลวงพ่อมากราบหลวงปู่ล่าขึ้นไปเยี่ยมพ่อยมพ่อยมแม่ขึ้นไปนั่งต่อหน้าทั้งโยมพ่อยมแม่นั่งคนละข้างกูบาร์ ถ้าูบาอยากจะศึกก็หมดภาระที่พ่อแมท่ที่พ่อกับแม่บอกว่าให้บวชเป็นพระก่อนจะศึกก็ไม่ว่าแต่บัดนี้กูบาได้บวชมาได้สองสามพันษาแล้วกูบาอยากจะึกพ่อแม่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะตามอัถยาศัยกรูบาอยากจะศึกก็ได้คูบ า, าจะอยู่ต่อก็ได้แต่พ่อแม่นะ่ก็ อ, อยากจะให้อยู่ต่อนั่นนะอนุโมทนาสาธุ กูบาจอากจะลาสิกขาอยากจะศึกพ่อแม่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเพราะพ่อแม่ขอแล้วขอแล้วได้แล้ว น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ถ้าจะว่าไปท่านก็มีสัตว์จริงเหมือนกันนะคิดว่าท่านจะลืมท่านก็ไม่ลืมแต่เราเฉยๆใจของเรามันผ่านความสงบอที่วัดดอยแม่ปังมาแล้วยนะเรามองๆดูแล้วมันนิ่งๆเฉยๆมัน ไม่กับไม่กระเพื่มเลยว่างงนเนี่ยในช่วงนั้นถ้ามันกระเพื่มก็คงจะไม่ได้เป็นหลงพ่อหลวงปู่อินมาถึงวันนี้แล้วลูกหลานเลยเอารับพรเลย